ไว้ประดิษฐานไว้ใ น, ในใจของโยมในธรรมบรรยายในพรรษากานี้ก็เป็นที่ทราบกันอยู่ดีแล้วว่าอาตมาภาพจะนำเอาเรื่องของปัญหาพระยามิรินมากล่าวกับญาติโยมทั้งหลายในช่วงระยะเวลาสามเดือนนี้ซึ่งในเรื่องของปัญหาพระยามิรินนั้น อาตมาก็ได้แบ่งออกเป็นสามภาคภาคที่หนึ่งเป็นเรื่องของความเป็นมาเบื้องต้นของพระเจ้ามิลินกับพระอร ห, รหนันต์นาเคเษนดังที่ได้กล่าวไปเมื่อวันพระที้แล้วภาคที่สองก็จะเป็นเรื่องของบทสนทนาธรรมระหว่างพระเจ้ามิลินกับพระอร ห, รหนันต์นาเคเษนและภาคที่สามเป็นบทส่งท้าย ในเรื่องของปัญหาพระยามิรินิในวันพระที่แล้วอาตมาภาคก็ได้กล่าวถึงภาคที่หนึ่งเป็นความเป็นมาเบื้องต้นในอดีตชาติของทั้งพระเจ้ามิรินกับพระอราหันต์นาเกษตรซึ่งในวันพระนี้ซึ่งเป็นวันพระที่สองนี้ก็จะเข้าเรื่องในเรื่องของบทสนทนาธรรมระหว่างพระเจ้ามิริน หรือพระยามิรินกับพระอรหนันต์นาคเกษต่อไปในวันพระที่แล้วก็มาจบรงที่ทั้งพระเจ้ามิรินกับพระอรหนันต์นาคเกษก็ได้มาพบกันเมื่อพบกันแล้วพระเจ้ามิรินนั้นก็พยายามที่จะทดสอบไหวพริบของพระเจ้าของพระอรหนันต์นาคเกษว่า พรอาอรหนันตนาคเกษนั้นจะมีปัญญาเฉียบแหลมมีไหวพริบดีอย่างไรพระเจ้ามิรินก็เริ่มถามพระอาหารหนันตนาคเกษว่าโยงจะถามขอถามปัญหาของพระกลุ่มเจ้าได้ไหมพระอาหารหนันตนาคเกษก็ตอบว่าได้ชมเยือนเชนิญโยงถามได้เลย พระเจ้ามิรินก็บอกพระอรหันตนาเกษนว่าโยอมถามแล้วเป็นการรองเชิงเป็นการรองไหวทิพ ก, ก, ก็บอกว่าโยมถามแล้ <ç uk! S 1> วพระอรหันตนาเกษนก็บอ ก, กว่าอาตมาพระเจ้ามิรินก็ถามพระนาเกษณว่าตอบว่าอย่างไรพระนาเกษณ ก, ก็บอกว่าก็โยอมถามว่าอย่างไรอาตมาก็ตอบอย่างนั้น เป็นการเรียกว่าไว้พริบทานกันเป็นการเรียกว่าไว้พริบทานกันเพราะฉะนั้นในต่อไปนี้ก็จะเป็นภาคที่สองเป็นเรื่องของการสนทนาธรรมระหว่างพระเจ้ามิรินกับพระอราหันต์นาเกษตต่อไปซึ่งในเรื่องของการสนทนาธรรมระหว่างพระเจ้ามิรินกับพระอราหันต์นาเกษตนั้นอาจารภาพก็ได้แบ่งออกเป็นหกตอนด้วยกันตอนที่หนง เรียกว่าเป็นการเปิดประเด็นการสนทนาตอนที่สองเป็นบทสนทนาในเรื่องของนามรูปตอนที่สามเป็นบทสนทนาในเรื่องของสังสารวัตรตอนที่สี่เป็นบทสนทนาในเรื่องของพระนิพพานอริยะบุคคลกับพระสัมมาพุทธเจ้า ต, ตอนที่ห้าจะเป็นเรื่องของผลทางสู่อริยมรรคและตอนที่หกตอนสุดท้าย ก็เป็นเรื่องของข้อสงสัยบางประเด็นแก้ข้อแก้สงสัยบางประเด็นในเรื่องของธรรมที่ไหนก็เป็นหกตอนหกตอนด้วยกันซึ่งทั้งหกตอนนี้จะเป็นปัญหารวมแล้วทั้งหมดด้วยกันประมาณเจ็ดสิบสองปัญหาในเรื่องของการตอบปัญหาของพระอ ร, าารหนันต์นาคเกษนั้นก็รู้สึกว่า จะเป็นข้อดีประการหนึ่งก็คือท่านพยายามที่จะอุปมาอุปไมยยกตัวอย่างมาเปรียบเทียบให้เห็นเพราะอย่างที่อาตมาได้กล่าวกับญาติโยมทั้งหลายแล้วว่าในเรื่องของปัญหาพยาไมรินนี้เป็นปัญหาค่อนข้างสูงเป็นปัญหาทางด้านวิปัสสนาเป็นปัญหาทางด้านวิปัสสนาเป็นปัญหาค่อนข้างสูงแต่พระอรหันตมา ก, กเสนนั้นพยายามที่จะหาตัวอย่าง เอามาอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบให้ฟังซึ่งจะทําให้เราได้เข้าใจดีขึ้นเพราะฉะนั้นในวันนี้อาตมาภาพจะได้กล่าวถึงบทสนทนาระหว่างพระเจ้ามิริ่งกับพระอรหันต์นาคเกสนในตอนแรกที่เรียกว่าเปิดประเด็นการสนทนาในคําถามแรกของพระเจ้ามิริ่ง ที่ใดถามพระน่าเกษนนั้นก็คือเป็นปัญหาในเรื่องของการเรียกชื่อเป็นปัญหาของเรื่องของการเรียกชื่อนั่นก็คือพระเจ้ามิรินตรัสว่าดูก่อนพระน่าเกษนผู้เจริญตามธรรมดาคนเรานั้นก่อนที่จะมีการสนทนากันต่อไปนั้น ก็ควรที่จะทราบชื่อเสียงเรีงนามกันซะก่อนควรจะทราบชื่อเสียงเรณนามกันซะก่อนเพราะนั้นพระกุงเจ้ามีชื่อว่าอย่างไรนี่พระพระเจ้ามิรินก็ถามพระนาคเกสษว่าพระกุงเจ้ามีชื่อว่าอย่างไรพระนาคเกษก็ตอบว่าเพื่อนพรมจันได้กันนั้น เรียกอาตมาว่านาเคเสนเพื่อนพระมรดจด้วยกันเรียกอาตมาว่านาเคเษนแต่อย่างไรก็ตามบิดามารดาของอาตมานั้นเนะ่ะตั้งชื่อให้อาตมานะ่ะหลายชื่อนอกจากชื่อนาเคเสนแล้วก็ยังมีชื่อว่าวีระเสนบ้างบางคนก็เรียกว่าวีระเสนบ้าง บางคนก็เรียกว่าสุราเสนบ้างบางคนก็เรียกว่าสิงหาเสนบ้างนี่แต่ยังไงก็ตามไม่ว่าจะเป็นชื่อหน้ากเกษน์ดีก็ดีหรือชื่ออื่นก็ดเเเีเป็นเรื่องของสมุติในทางโรคเท่านั้นเป็นเรื่องของสมุติในทางโวหารของโรคเท่านั้น แต่โดยความเป็นชิงแท้แล้วโดยความเป็นชิงแท้แล้วหรือโดยความเป็นปรมัตน์แล้วไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนเราเขาที่ว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนเราเขานั้นเป็นสมุดในทางโลกเป็นสมุดชื่อเรียกกันในทางโลกแต่เมื่อกล่าวโดยปรมัตน์แล้วไม่มีไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนเราเขา นี่พระนาคเษกงก็ตอบพระเจ้ามิลินไปอย่างนี้พระเจ้ามิลินก็เลยลุกขึ้นกล่าวกับบรรดาอามตาะกับชาวสาคนนครทั้งหลายว่าดูก่อนาอมตาะกับชาวสาคนนครทั้งหลายฟังนะเมื่อกี้พระคุณเจ้าบอกว่าท่านมีเชื่อว่านาคเษงมีเชื่อว่านาคเษง แต่ท่านก็บอกว่านากระแสนั้นเป็นชื่อในทางโลกสมมติในทางโลกที่ว่ามันมีสัตว์มีบุคคลมีตัวตนเราเขาแต่ท่านบอกว่าในทางปรมัจา์แล้วไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนเราเขาในทางปรมาจา์แล้วไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลมีตัวตนเราเขาก็บอกว่าเอามาทั้งหลายชาวสาวคนครทั้งหลายโปรดฟังไว้ดี ขณะเดียวกันพระเจ้าพหลินก็เรียกพระน้าเกษณว่าขณะนี้พระคุณเจ้าได้ยินไหมว่าโยมเรียกว่าน้าเกษณพระเจ้าพระน้าเกษณก็ตอบว่าได้ยินก็นั่นไงก็แสดงว่ามันมีจัตวีบุคคลมีตัวตนก็อาตมาก็โยมเรียกว่าหน้าเกษณพระคุณเจ้าก็ตอบว่าได้ยิน แล้วพระคุณเจ้าจะบอกว่าอย่างไรว่าไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนถ้าพระคุณเจ้าจะตอบได้อย่างไรว่าจะบอกได้อย่างไรว่าไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนก็เนื่องมาโยงเรียกว่าน่ากระเซ็นพระคุณเจ้าก็ตอบว่าได้ยินถ้าจะมาบอกว่าไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนอย่างไรนั่นนหะคือตัวตนของพระคุณเจ้าแหละแล้วก็ถามต่อไปว่า เจ้ากัผมนั Them, ่นน่ะผมนั่นน่ะเป็นตัวตนของพระคุณเจ้าหรือเปล่าเป็นตัวตนของหน้าเกษรหรือเปล่าพระน่าเกษนก็กอบว่าหาไม่ได้แล้วขนนั่นล่ะแล้วขนนั่นน่ะเป็นตัวตนของหน้าเกษรหรือเปล่าพระนาาเกษรก็กอบว่าหาไม่ได้แล้วเล็บนั่นล่ะชี้ไปที่เล็บของพระกุณเจ้าเล็บนั่นน่ะเป็นตัวตนของ หน้าเกษรหรือเปล่าถนากระาเกษรเขตอบว่าหาไม่ได้แล้วฟันนั่นล่ะทีปฏิฟันของหนา้าเกษรแล้วฟันนั่นน่ะเป็นตัวตนของหน้าเกษรหรือเปล่าถนากระาเกษรเขตอบว่าหาไม่ได้พระจ่ามิตริงถามไปหมดเลยตั้งแต่ขนตั้งแต่ผมขนเล็บฟันนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกนั่นใส่ใหญ่ใส่เล็กอืมก็ถามไปหมด พระนาคเสสันก็ตอบว่าหาไม่ได้เขาจ้ามีลิงก็มาถามอีกแล้วแล้วตานั่นล่ะเป็นหน้ากระแสนตัวตนของหน้ากระแสนหรือเปล่าพระนาระแสันก็ตอบว่าหาไม่ได้อืแล้วหูนั่นล่ะแล้วจมูกนั่นล่ะแล้วลิ้นนั่นล่ะแล้วกายนั่นน่ะเป็นนาคเสสันหรือเปล่าพระนาคเสสันก็ตอบว่าหาไม่ได้เขาจ้ามีเิงก็เลยยกประกาศขึ้นกับ มหาอมาตยกับชาวสาคนคนครทั้งหลายว่าดูก่อนเอามาตยชาวสาวคนคนครทั้งหลายสมณะผู้นี้ใช้ไม่ได้โกหกก็ท่านก็บอกว่าตรงตรงแล้ ว, ว่าท่านชื่อนาคเกษท่านชื่อนาคเกษข้าพเจ้าก็เรียกว่านาคเกษท่านก็ตอบรับแล้วข้าพเจ้า ก, ก็ชี้ไปที่ผมที่ขนที่เล็บที่ฟันที่หนัง ว่านั่นเป็นตัวตนของนาคเสสหรือเปล่าท่านก็ตอบว่าไม่ใช่แล้วอย่างไรกันนี่แสดงว่าสมณะผู้นี้โกหกใช้ไม่ได้อืมใช้ไม่ได้ท่านบอกว่าไม่มีสัดไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนแต่ท่านก็บอกว่าท่านชื่อนาคเสสแล้วข้าพเจ้าก็ชี้ลงไปที่ผมขนเล็บฟังหนะังของพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าก็ตอบว่าไม่ใช่ไม่ใชอนาคเสส ถ้าอย่างนี้แล้วน่ะโยมคงจะสนทนากับพระคุณเจ้าไม่ได้ถ้างั้นโยมจะกลับล้วถ้าน่าประเสริญก็ไม่เฉยโยมจะกลับก็ได้แต่อาตมาขอถามนิดหนึ่งว่าเมื่าตอนที่โยมมาสำนักอย่างอาตมานี่น่ะโยมมาอย่างไร ที่ยมมาสำนักอาตมานี่น่ะโยมมาอย่างไรพระจอมมิรินก็ตอบว่าโยมมาด้วยราชรถยอมมาที่สำนักของพระคุณเจ้านี้น่ะยมมาด้วยราชรถพระนางกรเส่นก็เลยชี้ลงไปที่กองล้อชี้ลงไปที่กองล้อของรถกองล้อนั้นหรือเปล่าเป็นราชรถ ถามพระนาคเสด็จอาถามพระเจ้ามิลินว่าคงร้อนั้นหรือเปล่าเป็นราชนถของโยมพระเจ้ามิลินก็ตอบว่าหาไม่ได้อ้าวแล้วดุมล้อนั่นล่ะดุมล้อนั่นล่ะเป็นราชรถหรือเปล่าพระเจ้ามิลินก็ตอบว่าหาไม่ได้แล้วงอนั่นละ่นะคือรถนั่นเป็นรถม้าเป็นรถม้ามีงอนด้วยมีวงล้อมี ทั้งๆท่านก็ถามพระน่านเกษรก็ถามว่าแล้วงอนมันล่ะเป็นราชรถของโยมรึเปล่าพระนักพระจอมมิลิก็ตอบว่าหาไม่ได้แล้วประกาศนั่นละ่ะเป็นราชรถของโยมหรึเปล่าพระจอมมิลินก็ตอบว่าหาไม่ได้พระนา่านเกษรก็เลยลบขึ้นประกาศกับบรรดาอมสาธกชาวสาหหวคุนครทั้งหลายว่าดูก่อนอมสาธ ชาวสาคนละกอทั้งหลายเมื่อกี้นี้พระเจ้าวิรินบอกอาตมาภาพว่าพระองค์เสด็จมาที่นี่ด้วยราชรถแล้วอาตมาก็ชี้ลงไปที่ส่วนต่างๆของราชรถนั้นพระเจ้าวิรินก็ตอบว่าไม่ใช่ไม่ใช่เป็นราชรถเป็นกษัตริย์เป็นพระเจ้าวิรินได้อย่างไรพูดเชื่อถือไม่ได้โกหกแม่แต่ไม่กระทั่งสมนะ ก็พระเจ้าพิรินสอบบอกอาตมาว่าพระองค์มาที่สำนักอาตมานี่ด้วยราชรถแต่อาตมาก็ที่ไปที่ส่วนประกอบต่างๆของราชรถแล้วพระองค์ก็ตอบว่าไม่ใช่เขาเป็นพระเจ้าพนดินได้อย่างไรน่าเชื่อถือได้ไหมอาตมาทั้งหลายแหละชาวสามคนทั้งหลายลองไปคิดดูว่าพระเจ้าพิดินของท่านทั้งหลายนั้นแหะ พูดจาใช้ไม่ได้ก็หกแม่กระทั่งสมณะพระเจ้าจไม่ลิมเหงือออกก็เลยค่อยๆตอบพระนางกเกษรไปว่าโยไม่ได้โกหกพระคุณเจ้าโยไม่ได้โกหกพระคุณเจ้าแต่โยมาราชรถมาด้วยราชจจรถจริงๆแต่ว่าสิ่งที่พระคุณเจ้าถามนั้นน่ะมันเป็นส่วนประกอบ ของราชรถไอ้สิ่งต่างๆเรานั้นนะประกอบรวมกันเข้าชาวโลกเขาสมมติเรียกว่าราชรถโยไม่ได้โกหกพระคุณเจ้าพระน่ากเกษงเลยตอบว่าฉันใดก็ฉันนั้นการที่อาจจะมาภาพชื่อหน้ากเกษงก็ประกอบด้วย ผมคนเล็บขวนหนังเนื้อเอ็นกระดูกประกอบด้วยตาหูจมูกลิ้งกายใจส่วนประกอบทั้งหลายเหล่านี้ประกอบเป็นข้าเป็นหน้ากรเกษนอาจามาก็ไม่ได้โกหกโยมที่แสดงว่าทำกันใช่ไหมแสดงว่าหน้ากรเซ็นเราก็ตอบด้วยไหวพริบตอบด้วยไหวพริบด้วยฟัญญาในเรื่องนี้เองทําให้ อาตมาภาพนึกถึงคำสอนของหลวงปู่ฟั่นกับในหลวงของเราตอนสมัยที่หลวงปู่ฟั่นยังมีชีวิตอยู่หลวงปู่ฟั่นเคยมาที่วัดบวอรวัดบวอ น, นิเวศในหลวงทราบข่าวก็มากราบหลวงปู่ฟัน่ขนขณะที่สนทนานกันนั้นหลวงปู่ฟั่นก็ได้ถามในหลวงของเราว่า ดูกนมหาพิตมหาพิตนั่น่ะมาวัดบ่อยไหมในหลวงก็ตอบว่ากระผมมาไม่ค่อยบ่อยนักเนื่องจากว่ามีธุระทางด้านราชการงานมากไม่ค่อยบ่อยนักหลวงปู่ฟันก็ถามตอไปว่ามหาพิตถ้าโยมมาวัดนะ่ะถ้ามหาพิตมาวัดนะ่ะมหาพิตมาที่วัดไหน ในหลวงก็ตอบหลวงปู่ฟันว่าส่วนใหญ่ก็ามาที่วัดบรวรเพราะสมเด็จพระยาณสังวรก็เคยเป็นพระพี่เลี้ยงตอนที่อ่าโยมได้ตอนที่ได้บวชเป็นพระที่สุชงหลวงปู่ฟั่นก็ถามต่อไปว่ามหาบพิษตรงไหนเป็นวัดตรงไหนเป็นวัดนั่นก็โบด นั่นก่อศาลานั่นก่อกุฏิแล้วอันไหนเราเป็นวัดหลวงปู่ก็พูดต่อไปเรื่อยไปว่าไอ้ที่เรียกว่าโบสถ์โบสถ์โบสถ์นั่นแ่ะตรงไหนเป็นโบสถ์ตรงไหนเป็นโบสถ์มันก็มีจะอิดหินปูนทรายไม้เหล็กอตรงไหนเป็นกุฏิมันก็มีจะอิฐหินปูนทรายไม้เหล็กไอ้ที่เรียกว่าโบสถ์ที่เรียกว่ากุฏินั่น มันก็เป็นชื่อสมมุติทางวัวหารของโลกเท่านั้นวัดจริงๆนั่นนะ่ะวัดจริงๆนั่นนะ่ะหลวงปูก่ก็ชี้ลวงปที่ใจวัดอยู่ที่นี่มหารพริกวัดอยู่ที่ใจนี่โบราณเขาเรียกว่าวัดวัดวัดนั่นนะ่ะก็คือให้เราวัดดูว่าขนาดนิ้ใจของเรามันห่างไกลาจากกิเลส ห่างไกลาจากความทุกข์มากน้อยแค่ไหนอย่างไรให้เราวัดดูให้วัดดูขณะที่ขณะใดที่เรามีความโรคนั่นแหละขณะนั้นแหละเราใกล้ชิดกับกิเลสเราใกล้ชิดกับความทุกข์เราใกล้ชิดกับแปดเพราะความโรค ผู้ทมีความโลภนั่นจะจะไปเกิดเป็นเปรรนั่นเราใกล้คิดกับเปรเราได้รู้ว่าขณะนี้เราใกล้คิดกับกิเลสกับความทุกข์ใกล้กับเปรรแล้วหรือขณะใดที่เรามีความโกรธนั่นแหละเราใกล้คิดกับกิเลสคือโทสะใกล้คิดกับสัตว์นรกเพราะโทสานั้นจะไปเกิดเป็นสัตว์นรกนั่นถ้าให้เราวัดอย่างนั้นให้เราวัดอย่างนั้นให้เราวัดจิต วัดใจของเรานี่หลวงปู่ฟันก็เอาเรื่องนี้ทำนองอย่างนี้แหละเอามาสัจสอนในหลวงในหลวงของเราในหลวงของเราพล่มลงกล่าวกลมลงกราบหลวงปู่ฟันทันทีเลยบอกไม่เคยมีใครสอนกับผมอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นกับผมอยู่ในรถนี่กับผมก็สามารถไปวัดได้หลวงปู่ฟันธบอกว่าถูกแล้วมหมาบอกพิษอยู่ที่ไหนก็ไปวัดได้ทำไมื่ะนั้น เราย้อนกลับมาดูที่จิตของเราวาจิตของเราในขณะนี้มันห่างไกลจากกิเลสโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิเลส ต, ตัวโลภโทสะโมหะมากน้อยแค่ไหนยอย่างไรนี่ะฉะนั้นในเรื่องของปัญหาพยายามวิริย์ที่พระเจา้าวิริย์ถามพระมหาเกษว่าชื่ออะไรนั้นก็ทํานองเดียวกันอย่างนี้ทํานองเดียวกันอย่างนี้ก็พระมหาเกษก็บอกแล้วว่า โดยสมมุติในทางโลกเท่านั้นมันมีสัตว์มีบุคคลมีตัวตนเราเขาแต่โดยทางปรมาสแล้วเราก็ <c oughs> ไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนเราเขาดัง น, นั้นก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายได้โปรดนำมาเรื่องนี้ไปคิดภายในใจในเรื่องของวิปัสสนาของเราก็เป็นอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้เราต้องแยกกันให้ได้ระหว่างสมมุติกับปรมัสต์ต้องแยกกันให้ออก สมมุติเป็นเรื่องของทางโลปประมัดเป็นเรื่องของความเป็นจริงแท้ที่เป็นปัญหาข้อที่หนึ่งที่พระเจ้ามิลินได้ถามพระอารหันต์นาสเสนในเรื่องของชื่อเป็นอย่างนี้ข้อที่สองที่พระเจ้ามิลินถามพระอารหันต์นาสเสนก็คือเรื่องของจงํานวนปีที่พระน า, าสเสนบวชพระเจ้ามิรินก็ถามพระน า, าสเสนว่าดูก่อนพระคุณเจ้าผู้เจริญ พระคุณเจ้าบวชมาได้แล้วกี่พรรษาพระคุณเจ้าบวชมาแล้วกี่พรรษาพระนาตเสนก็ตอบว่าถวายพระพอรอาตมาบวชมาได้เจ็ดพรรษาบวชมาได้เจ็ดพรรษาพระเจ้ามิลินก็ถามว่าที่ว่าเจ็ดพรรษานั้นน่ะ น, นับรวมเอาตัวพระคุณเจ้าไปด้วยหรือเปล่านับรวมตัวพระคุณเจ้าไปด้วยหรือเปล่า พระนางเกษร์ก็ตอบว่านับพระนางเกษรก็ตอบว่านับพระเจ้าวิเรนก็ตาบว่ า, า, า, อ, า, า อ, อ้าวทาไมเป็นอย่างนั้นน่ะโยงถามว่าพระคุณเจ้าโบสถมากี่พรรษาอืมแล้วทําทไมนับเอาตัวพระคุณเจ้าไปด้วยละ่ะบังเอิญในวันนั้นวันที่พระเจ้ามิเรนมากราบพระนางเกษร์ น, นั้น ก็ได้นาเอาอ่างแก้วใส่น้ําแล้วก็มีดอกไม้ลอยน้ํามาถวายเป็นเครื่องสักากรากระบูชาด้วยก็พอดีพนากระแสนก็เห็นเงาของพระเจ้ามิรินลงในน้ําเห็นเงาในาน้ำพรนากระแสนก็ถามพระเจ้ามิรินว่าขอถวายพระพร เงาของโยมในน้ํานั้นน่ะนับเนื่องเอาตัวของโยมด้วยหรือเปล่าเงาของโยมในน้ํานั้นน่ะนับเนื่องเอาตัวของโยมด้วยหรือเปล่าพระอาจารย์มิเรนก็ตอบว่านับด้วยก็เพราะเงาในน้ำนั่นนมันเกิดจากตัวของโยมถ้าไม่มีตัวของโยมแล้วเงาในน้ําก็ไม่มีพราน่าเกษร์ก็ตอบว่าชั้นใดก็ฉันนั้น ที่นับที่บอกว่าอาตมาบวชมาได้เจ็ดพรรษานั้นเนี่ยก็นับเรื่องด้วยตัวของอาตมาด้วยนับเรื่องด้วยตัวของอาตมาอาตมาตัวของอาตมานี่บวชมาได้เจ็ดพรรษาถ้าไม่มีตัวของอาตมาไอ 7, ้คาว่าเจ็ดพรรษาเจ็ดปีนี้มันจะได้มาจากไหนมันจะมาจากไหนมันก็มาจากไปจากตัวของอาตมาเพราะฉะนั้นไอ้คาว่าเจ็ดพรรษานั้นนับเรื่องด้วยตัวของอาตมา นับเนื่องโดยโตออัวเขาอาจจะมาด้วยเหมือนกับโยมเงาของโยมในน้ํานั่นนะ่ะก็ต้องนับเนื่องโดยโตัวของโยมด้วยไม่งั้นเงาในน้ํามันก็มีโยมโ ย, ยมนึกออกไหมว่าปัญหานี้กลับมาสอนเราในเรื่องอะไรในเรื่องของสติปัฏฐานสี่ใครที่เรียน ต้วที่ประธานสื่มาก็คงจะได้เคยได้ยินคําว่าพุทธเจ้าให้เราพิจารณากายในกายพิจารณากายในกายพิจารณาเวทนาในเวทนาพิจารณาจิตในจิตพิจารณาธรรมในธรรมคําว่ากายในกายก็คือสิ่งอันเนื่องด้วยกายสิ่งอันเนื่องด้วยกายแล้วคําว่ากรรกายในกายของ พระสมาพุทธเจ้าตักแสดงไว้นั่นะมีอะไรบ้างหนึ่งลมหายใจเข้าออกสองอริยบทใหญ่สี่สี่สามอริยบทย่อยสี่อาการกายสามสิบสองห้าท่าทั้งสี่และหกปาช้าทั้งเก้าดนั้นคำว่ากายในกายก็สิ่งอันเนื่องโดยกายลมหายใจเข้าออกนี่ก็เป็นเรื่องของกายเป็นกายอย่างหนึง่งอริยบทใหญ่ยืนเดินนั่งนอนนี่ก็เป็นกายในกาย เป็นส่วนของกายสิ่งอันเนื่องโดยกายื ม, มันขอให้ยมเข้าใจให้ดียมต้องนั่งไปคิดหน่อยนะต้องนั่งไปคิดหน่อยนี่แหละในเรื่องของสติปัฏฐานสี่นั่นแหละที่ท้าสมาผู้เจ้าตรัสไว้กายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมก็คือสิ่งอันเนื่องด้วยกายสิ่งอันเนื่องด้วยเวทนาสิ่งอันเนื่องด้วยจิตสิ่งอันเนื่องด้วยธรรมมีความหมายอันเดียวกันเหมือนกับเหมือนกับเงาในน้ํา เงานั้นมันก็ไปจากตัวจริงถ้าตัวจริงไม่มีเงามันก็มีมนี่นี่ในแง่ของการนับอายุของพรรษาทำให้เราเกิดข้อคิดอย่างนี้ให้เราเกิดข้อคิดอย่างนี้นี่คืปัญหาที่สองที่พระเจ้ามิเรนถามพระนาคเสนปัญหาที่สาม ปัญหาที่สามที่พระเจ้ามิเรนถามพราาะนาคเสรว่าดูก่อนพระคุณเจ้าผู้เจริญการที่พระคุณเจ้าเข้ามาโบสเป็นพระพิสุสง์ในพระพุทธศาสนานั้นพระคุเจ้าหวังอนิสงส์ที่เป็นอุดมหรืออนิสงส์ที่สูงสุดอย่างไรการที่พระคุเจ้าเข้ามาโบสถเป็น พระิจูสงในพระพุทธศาสนานั้นพระคุณเจ้ามีความหวังอานิสง์อันเป็นอุดมหรืออันเป็นสูงสุดอย่างไรที่พระเจ้ามีเรีนถามพระนาคเสสพระนาคเสสก็ตอบว่าดูก่อนมหาปาพิการที่อาตมาเข้ามาบูรเป็นพระพิจูสงในพระพุทธศาสนา น, นอาตมาภาพหวังอนิสง์ อันสูงสุดหรืออันเป็นอุดมสองประการด้วยกันประการที่หนึ่งอัรรมาภาพหวังอั น, นิสงเพื่อตอนเองเพื่อตอนเองนั่นก็คือหวังอ น, นิสงอันสูงสุดหรืออันเป็นอุดมสองประการด้วยกันประการที่หนึ่ง อาตมาภาพหวังอนิส ง, เเง์เพื่อตนเองเพื่อตนเองนั่นก็คือเมื่อบวชข้ามาแล้วอาตมาภาพจะได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมเพื่อไปบรรลุสู่ความพ้นทุกข์อันถาวรต่อไปนี่คือเพื่อตนเองนี่เป็นวความหวังของอาตมาที่เป็นอนิสง สูงสุดข้อที่หนึ่งข้อที่สองอาตมามีความหวังเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นประโยชน์ของสาธารณชนทั้งหลายเพื่อให้สาธารณชนทั้งหลายเขาได้มีโอกาสทําบุญได้มีโอกาสทําบุญแล้วก็จะจะสามารถอุทิศ ส, ส่วนบุญนี้ ไปให้กับญาติของเขาที่ได้ตายไปแล้วโยมต้องเข้าใจว่าพระสมาพุทธเจ้าเคยสอนเคยจัดแสดงไว้ว่าพระสงฆ์นั่นน่ะเปรียบเสมือนเนื้อนาบุญของโลกเป็นเนื้อนาบุญของโลกเป็นเนื้อนาบุญให้กับโยมโยมจะได้มีโอกาสทําบุญกับพระพิสุสง์ เพื่อที่จะเกิดเป็นบุญกุศลแล้วยมจะได้สามารถอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้ไปให้กับญาติโยมของไปให้กับญาติของโยมที่ได้ละจากโลกนี้ไปแล้วไปสู่ยังโลกหน้าถ้าไม่มีพระสงฆ์โยมก็ไม่สามารถจะทําบุญได้ไม่สามารถที่ทำบุญได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้กับญาติทั้งหลายที่ตายไปแล้วได้ด้วย ในพระนาคเสียง ก, ก็ตอบว่าเพื่อประโยชน์ของสาธุชนทั้งหลายนั่นเองเพื่อที่จะเป็นเรื่องอาบุญให้กับสาธุชนทั้งหลายนี่การที่อาจารมาภาบวชเข้ามาแล้วก็หวังอานิสงฆ์ทั้งสองประการนี้หวังอานิสงฆ์ทั้งสองประการนี้เมื่อเป็นอย่างนี้ขอให้ญาติยมทั้งหลายระลึกนึกย้อนไปเมื่อครั้งที่พระพรุทธเจ้า ตักสรุงใหม่ๆพระเจ้าก็ม า, ป า, ม า, มาโปรดพระเจ้าพิมพิสารมาแสดงธรรมโปรดพระเจ้าพินพิสารจนกระทั่งพระเจ้าพิมพิสารบรรลุเป็นพระโสดาบันพระเจ้าพิมพิสา ร, ร, เ, ร, า ร, เ, าารเห็นพระพุทธเจ้ากับเท้สงฆ์ทั้งหลายพักอยู่ที่ดงตาลเห็นว่ามีความลำบากเรื่องที่หลับที่นอนกลางๆมีความลำบาก พระเจ้าก็เลยถวายสวนป่าไผ่ให้กับพระเจ้าพิมีสารก็ถวายสวนป่าไผ่ให้กับพระพุทธเจ้าเป็นที่พักของพระพุทธเจ้าเป็นที่พักของพระสงฆ์ทั้งหลายนั่นแหละจงกัะงต่อมาก็เกิดเป็นวัดวัดแรกในทางพุทธศาสนาเรียกว่าวัดเวรุวนารามเป็นวัดแรกของใน พ, พุทธศาสนาก็คือมาจากสวนป่าไผ่ ที่พระเจ้าพิมพิสารถวายพระพุทธเจ้าในวันที่พระเจ้าพิมพิสารถวายสวนป่าภัยให้กับพระพุทธเจ้านั่นในวันนั้น่ในคืนวันนั้นน่มีเสียงร้องปีปาปีปาทั่วทั้งเมืองราชคกฤกซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนเลยเสียงร้องทั้งคืนทั่วทั้งเมืองราชคกฤกเลยพระรุ่งเช้าพระเจ้าพิมพิสารก็ไปกราบทูลอรัตนาถามพระพุทธเจ้า ว่าเสียงอะไรเมื่อคืนนี้เสียงร้องปีปป๊ป้าปี๊ป้าทั้งคืนซึ่งไม่เคยมีมาก่อนเลยพระริจ้าก็ตอบพระเจ้าปิมิสานไปว่าเสียงที่ร้องเมื่อคืนนี้นะั่นเป็นเสียงเกรดญาติของพระเจ้าปิมิสานเองที่ตายมาหลายหมื่นหลายแสนปีมาแล้วพระศาสนายังไม่เกิดเพระเาะฉะนั้น ประชาชนไม่สามารถที่จะทาบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้ไปให้กับเปรตเหล่านี้ได้เปรตเหล่านี้ยังไม่มีที่ยังไม่ได้ไปเกิดยังไม่ได้ไปเกิดในวันนี้เมื่อ ว, วานี้รู้ข่าวเปรตเหล่านี้รู้ข่าวว่าพระเจ้าสิมพิสารถวายสวนป่าไผ่นี้ให้กับพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นบุญเป็นกุศลมากมายมหาศาลเสที่ร้องเมื่อคืนนั้น เขามาขอแบ่งส่วนบุญเป็นเสียงเปรตของพระองค์เองมาขอแบ่งส่วนบนุญเพื่อที่จะได้ไปเกิดในสุกติภูมิต่อไปพระเจ้าพิมพิสารจึงถามพระพุทธเจ้าว่าแล้วจะให้มอมฉันทําอย่างไรต่อไปพระุทธเจ้าจึงให้ถวายให้พระเจ้าพิมพิสารถวายทานใหม่แล้วก็ให้กรวดน้ําอ่าอตมาก็จะให้พรแล้วก็ให้โยมกรวดน้ํา อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้ไปให้กระเหล่านั้นนั่นแหละพระเจ้าพิมพิสารจึงถวายทานพระพุทธเจ้าใหม่แล้วพระพุทธเจ้าก็กล่าวสัมโมูทนียกถาแล้วก็ให้พระเจ้พาพิมพิสารกรวดน้ําอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้กับบรรดาเปรเหล่านั้นเปรตพระญาติเหล่านั้นในวันต่อมาก็เสียงก็เงียบไม่มีเสียงใดๆก็แสดงว่าบรรดาเปรเหล่านั้นได้ไปเกิดแล้วนี่แหละเป็นที่มาของคําว่าของการถวายสังฆทาน ของเราในปัจจุบันนี้เป็นที่มาของการถวายสังฆทานในปัจจุบันนี้นั่นก็คือต้องทํากับพระสงฆ์ต้องทํากับพระสงฆ์ถ้าไม่มีพระสงฆ์โยมก็ไม่สามารถจะไปถวายสังฆทานกับใครบุญกุศลก็ไม่เกิดขึ้นนี่แหละเป็นคําตอบของพราน่าเสกษรที่พระเจ้ามิรินถามว่าการที่พระคุณเจ้าบวชเข้ามานั้นพระคุณเจ้าหวังอันนิสงอะไรเป็นอุดมหวังอันนิสงอะไรสูงสุด พระนาตเสงก็ตอบว่าการที่อาตม า, าพาโบสถเข้ามาเป็นพระวิสุสงค์ในพุทธศาสนานั่นก็หวังที่จะได้หนึ่งประโยชน์ส่วนตนเพื่อที่จะได้มีการปฏิบัติธรรมเพื่อที่สามารถไปบรรลุสู่ความพ้นทุกข์ได้นั่นเป็นประโยชน์ตนอีกประการหนึ่งประโยชน์ผู้อื่นก็คือประโยชน์กับสาวสุชนทั้งหลายจะได้ให้สาวกชนหลายนั้นได้ทําบุญเป็นเนื้อนาบุญให้กับสาวสุชนทั้งหลาย นี่เป็นคำตอบของพระนาคเสกปัญหาสุดท้ายในเรื่องของประเด็นเปิดประเด็นการสนทนาพระเจ้ามิลิน<ม>ก็บอกว่า<ม>บอกพระนาคเสกว่าถ้าอย่างนั้นโยงก็จะขอสนทนากับพระคุณเจ้าต่อไปได้ไหมพระนาคเสกก็ตอบว่าได้ได้ แต่ว่าการสนทนานั่ต่อไปนั้นถ้ามีการสนทนากันแบบนักปราศรากชัณบดิตอาตมาก็จะสนทนาด้วยแต่ถ้ามีการสนทนาแบบเจ้าฟ้ามหากรัตย์แล้วเราก็อาตมาก็จะไม่ขอสนทนาด้วยพระเจ้าจมิลรงก็เลยถามพระนาคเสวน์นว่าไอการสนทนาแบบนักปราศราชชัณบินนั้นน่ะ เขามีการสนทนากันอย่างไรพระน่าเกษมก็ตอบว่าในการสนทนากับนักปรานุษย์ขันบัณฑิตนั้นนะ่ะก็มีการถ้อยทีถ้อยอาศัยกันแลกเปลี่ยนความรู้กันมีการสนทนากันอย่างเรียกว่าถนอมน้ําใจกันถนอมน้ําใจกันด้วยความจริงใจต่อกันไม่มีการร้าวรานไม่มีการหักโหมเอาแต่ใจตัว ไม่เป็นการสนทนาแบบนักปรากราชบัณิตพระเจ้ามิลินก็ถามพระนาคเกษต่อไปว่าก็แล้วการสนทนาแบบเจ้าฟ้าหมากริย์นั้นมีการสนทนาอย่างไรพระนาคเกษก็ตอบว่าในการสนทนาแบบเจ้าฟ้าหมากริย์นั้นมักจะเอาแต่ใจตัวมักจะเอาแต่ใจตัวก้าวร้าวรามร้าวรังก้าวร้าวร้าวรังมีความโกรธ บางครั้งก็ ส, งสั่งโรงอาญากับผู้ที่คู่ที่สนทนาด้วยถ้าเป็นการสนทนาแบบเจ้าฟ้ามหา ก, กษัตริย์อย่างนี้อาตมาจะไม่ขอสนทนากับโยมด้วยพระเจ้ามีิรินก็เลยตอบพระนาคเสวนว่าโยมจะขอสนทนากับพระคุณเจ้าแบบนักปรากราชบัณฑิตโยมจะไม่สนทนากับพระคุณเจ้าแบบเจ้าฟ้ามหา ก, กษัตริย์อย่างใด พ่ะเจ้ากก็กล่าวว่าขอถวายพระพรก็เป็นโอกาสอันดีที่เราทั้งสองจะมีการสนทนากันแบบนักปราราชบันดิตซึ่งก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์วยกันทั้งสองฝ่ายมีการแรกลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนี่ก็เป็นประเด็นสุดท้ายของตอนที่หนึ่งของเรื่องว่าการเปิดปการเปิดประเด็นการสนทนากัน อามาก็ดูเวลาก็รู้สึกว่าจะมามากพอกสมควรแล้วในวันพระหน้าจะเป็นเริ่มต้นบทสนทนาระหว่างพระเจ้ามิรินกับพระนาคเสนเรื่องนามรูปเรื่องนามรูปเรื่องวิปัสนาเรนโยมนะเรื่องของนามรูปนี้เรื่องของวิปัสนาเลยนโยมก็จะได้ข้อคิดจากบทสนทนาระหว่างพระเจ้ามิรินกับพระนาคเสน อย่างมากมายทีเดียวเอามาประกอบในการปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาของเราจะเป็นประโยชน์อย่างมากเกิดประโยชน์กับญาติโยมทั้งหลายอย่างมากเลย เ, เพราะฉะนั้นในวันพระหน้าก็คงอยากพระอาทิตย์อีกอยวพลาดอีกให้ได้ในวันพระหน้าจะเป็นเรื่องที่สําคัญของการบทสนทนานี้นัสำหรับในวันนี้ก็เรื่องของการบรรยายในเรื่องของปัญหาพยายามวิริย์ก็เอาจบไว้เียง